วัดนี้จยกสแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆุ ท, กท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการ พระภูมิพระภาสอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้รู้ผู้เห็น ได้ตรัสสั่งสอนไว้ให้เราทั้งหลายพากันปฏิบัติธรรมะในที่แห่งหนึ่งได้ตรัสประมวล อที่พึงปฏิบัติไว้ทั้งหมดโดยพระพุทธภาสิทิที่แปลความว่าท่านทั้งหลายจงมีความหลีกเล่นเป็นอาราม คือเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเล่นตามประกอบความสงบแห่งใจในภายใน กระทำฌานคือความเพ่งพินิษมิให้เสื่อมไปประกอบด้วยวิปัสสนาความเห็นแจ้ง หรือปัญญาเห็นแจ้งพอบพูนเรือนว่างอยู่เถิดดังนี้พระพุทธานุสาสนีที่แปลความมานี้เป็นอันประมวล หลักปฏิบัติไว้ทั้งหมดทุกทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาย่อมต้องปฏิบัติ ในหลักที่ทรงสั่งสอนไวน้นี้แม้ว่าจะตั้งแต่ในเบื้องตน้นซึ่งดูเหมือนจะยังไม่เข้าหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แต่อันที่จริงนั้นก็ต้องเริ่มเข้าหลัก ที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นตั้งแต่ข้อแรกคือมีความหลีกเล่นเป็นอารามคือเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเล่น ตอนนี้ย่อมหมายถึงตั้งแต่สถานที่ซึ่ง ข้าไปปฏิบัติและข้อประกอบต่างๆของการที่จะเข้าไปสู่สถานที่ซึ่งปฏิบัตินั้นได้ตลอดจนถึง ความเพียรดังเช่นต้องการจะปฏิบัติในบ้านของตนเองกด้องเข้าไปสู่ที่หลีกเล่น เป็นกา ย, ว, ยวิเวกความสงัดกายมาสู่ที่นี้ก็เป็นการมาสู่ที่หลีกเล่นเช่นเดียวกัน ลีกก็คือว่าลีกออกจากเครื่องทัวพันแม้ว่าจะชั่วระยะหนึ่งเวลาหนึ่งก็ตามทีเล่นก็คือว่าสงบสงัด ตลอดจนถึงจิตใจต้องวางสิ่งที่เป็นพาระธุระทั้งหลายอย่างอื่นและการที่จะหลีกเล่นดังนี้ได้ ก็จะต้องมีข้อประกอบเช่นว่าศีลคือความสำรวมกายวาจาใจของตนเองแม้ว่า จะไม่ได้คิดรับหรือสมาทานศีนห้าสินแปดหรือสินที่ยิ่งไปกว่าก็ตามแต่ว่าเมื่อจะปฏิบัติก็จะต้องเริ่มมีความสำรวมกายวาจาใจ กายวาจาใจต้องมีความสงบไม่วุ่นวายดังนี้ก็เป็นศีลและก็จะต้องมีความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอินทรีสังวร ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะที่มีความระลึกรู้ในอันที่จะปฏิบัติจึงจะชักนำให้เข้ามาสู่สถานที่หลีกเล่นและ กายวาจาใจของตนเองก็สงบมีสติสมัญญาอาการหลีเล่นซึ่งเป็นอาการของศรีของอินทรียสังวรของสติของสมัญญาแม้ว่าในขั้นเริ่มตน้น กฏ ต, ตาทีเพราะฉะนั้นความที่มีความหลิกเล่นเป็นอารามคือเป็นที่มายินดียินดีในความหลิกเล่นอันหมายถึงทั้งสถานที่ ร่ากายวาจาใจของตนเองมีอาการที่สงบสงัดสถานที่ก็สงบสงัดเท่าที่จะมีได้กายวาจาใจของตนเองก็สงบสงัดเป็นศีลเป็นอินทรีย์สังวรเป็นสติสัมมชัญญะ แต่ก็รวมเข้าซึ่งข้อความรูป้ประมาณในโภชนะด้วยคือในการบริโภคซึ่งเหมาะแก่การที่จะปฏิบัติดังนี้แหละคืออารามหรือที่แปลว่าวัด หรืออารามอันควรเป็นสถานที่ที่หลีกเล่นอารามนี้ย่อมตั้งอยู่บนดินอันเป็นภูมิประเทศก็ได้ตั้งอยู่ที่กายวา่าใจก็ได้หรือตั้งอยู่ที่จิตนี้ก็ได้ ต้องประกอบกันเป็นอารามหรือเป็นวัดอันมีลักษณะที่เลเอีกเล่นมีลักษณะที่สงบสงัดมีลักษณะที่เป็นศีลเป็นอินทรียสังวรเป็นสติเป็นเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ประมาณในการบริโภค อันรวมเข้าในข้อว่าชาคาริยานุโยกด้วยคือการประกอบความเพียรของผูที่ตื่นอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานั้นจึงต้องมีอารามนางกล่าวนี้ เป็นประการแรกเป็นวิหารขึ้นเป็นเป็นที่อยู่ของทั้งทางกายและทั้งของทางจิตใจศรษก็รวมอยู่นในอารามอินทรีย์สังวรสตริสัมปชัญญะค า, าคริยานุโยมการประกอบความเรียนของเพียนของผูนที่ตื่นอยู่ความรูปประมาณใน โจนนาหารในพัฒาหารรัมมัญญะก็รวมอยู่ในคำอารามนี้อันนี้เป็นหลักสำคัญของการปฏิบัติพุทธศาสนาหรือของวัดว า, ารามทั้งหลาย จึงมาถึงข้อที่สองตามประกอบความสงบของใจในภายในคำว่าในภายในนี้ก็หมายถึงว่าใจของตนและแม้ใจของตนเองนี่ ก็ต้องหมายถึงว่าใจของตนที่เป็นภายในเพราะว่าใจของตนนี้เมื่อไม่สงบประกอบด้วยนิวรณ์ทั้งหลายอันเป็นกามาชันความพอใจรักใคร่ไปในกามบั้ง เป็นพยาบาทความกระทบกระทั่งโรดแค้นขัดเครื่องบุ่งไร่ปองไร่บังเป็นถีนมิทธะความง่วงวุนเคลิบเคลิบบังเป็นอุธจักขุจักความฟุ้งซ่านรำคาาใจบ้างเป็นวิจิกิจขาความเครือนแคลงสงสัร รวมความว่าพุ่งสร้างไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภโทสะโมหะทั้งหลายจึงพุ้งสร้างไปด้วยราคะหรือโลภโทสะโมหะทั้งหลายดังนี้ ก็เป็นจิตที่ไม่สงบในภายในพุ่งออกไปในภายนอกคือในอารมณ์ทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายดังกล่าวนั้นฉะนั้นแม้ว่า จะอยู่ในอารามนังกล่าวมาในข้อหนึ่งกายเข้ามาอยู่ได้จริงแต่ว่าจิตไม่เข้ามาอยู่จิตยังออกไปนอกอารามพุ่งไปในอารมณ์และในกิเลสทั้งหลาย กองราภือโลภโทสะโมหะเรื่องในิวรณนั่นกล่าวมานนั้นก็เป็นอันว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่เป็นอาราม จึงต้องปฏิบัติทมจิตให้สงบคือสงบจากการคิดปุงสร้างไปในอารมณ์ทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของกิเลสดังกล่าวนั้นนำมากำหนดให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมถะกรรมฐาน ในะติปฐานทั้งสี่ในกายเวทนาจิตธรรมหรือในข้อใดข้อหนึ่งให้จิตไม่ฟุ้งออกไปในภายนอกให้ตั้งสงบอยู่ในภายในคือภายในสมถกรรมฐาน เมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติสมาธิหรือสมถกรรมฐานซึ่งการปฏิบัติในทางสมาธินี้ก็ต้องอาศัยฌานคือความเพ่งพินิษ เพ่งพินิษฐอารมณ์ของสมถกรรมฐานเช่นเพ่งพินิษฐกายเวทนาจิตธรรมสุเพ่งพินิษข้อใดข้อหนึ่งเช่นอนาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกายคตาสติสติที่ไปในกาย หรือธาตุกรรมฐานเพ่งพินิจกายนี้ว่าประกอบหรือแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ใช่ตัดบุคคลตัว ต, วตนเราเขาทาฌานคือความเพ่งพินิจนี้มิให้เสื่อม คือให้อยู่ในภายในเพ่งพินิทอยู่ในภายในดังนี้คือฉาิดังแต่เบื้อตนต้นและเมื่อเพ่งพินิทอยู่ในสมถกรรมฐานจนจิตสงบตั้งมัน่นวแนว่ เป็นอัปปนาสมาธิก็เป็นฌานแห่งสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแ น, น่เป็นสมาธิอย่างสูงดังที่เรียกว่ารูปฌานอะรูปฌาน แต่อันที่จริงนั้นก็เป็นชานมาตั้งแต่เบื้องตน้นคือเพ่งพินิจจะต้องเพ่งพินิจดูในอารมณ์งสมถะกรรมฐ า, านดังกลา่าวจึงจะได้ความสงอบองใจในภายในฉะนั้น การที่จะได้ความสงบท้องใจในภายในนั้นจึงต้องทำฌานคือความเพ่งพินิษฐ์ไม่ให้เสื่อมด้วยและในการที่จะทำฌานคือความเพ่งพินิษฐ์ไม่ให้เสื่อมนี้เราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเม่ให้ไปเพ่งพินิษ์ในภายนอก เมื่อไปเพ่งพินิษในภายนอกขึ้นในอารมณ์อันเป็นที่ศทางของกิเลสเพ่งพินิษรูปเสียงเป็นต้นที่เข้ามาทางตาทางหูอันเป็นที่ศทางของกิเลสก็เกิดกิเลสกองราคะบ้างโทสะบบ้างโมหะบ้างหรือโลภโกรธหลง หรือนิวรน์ใดข้อหนึ่งดังกล่าวนั้นดังนี้ก็คือว่าเพ่งปินิดอารมณ์ข้างนอกอันเป็นที่ตั้งของกิเลสกิเลสก็เกิดขึ้นฉะนั้นก็ต้องรักษาความเพ่งปินิดนี้ไม่ให้ออกไปเพ่งปินิดข้างนอกกระทำให้เพ่งปินิดอยู่ข้างใน คือในอารมณ์รมธรรมทากรรมฐานในกายเวทนาจิตทัพหรือในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ตามดังนี้ก็คือว่าทําฌานคือความเพ่งพินิดไม่ออกไปข้างนอกคือไม่ให้เสื่อมเมื่อออกไปข้างนอกก็เรียกว่าเสื่อมนี่เป็นหลักปฏิบัติ เพราะฉะนั้นทานคือความเพ่งปินิทในที่นี้จึงหมายดังนี้ตั้งแต่เพ่งปินิทสมถะกรรมฐ า, านจนถึงเพ่งปินิทที่เป็นอปปนาสมาธิและเมื่อประกอบกันดังนี้คือประกอบ ตาประกอบความสงบของใจในภายในทำความเพ่งพินิษไม่ออกไปข้างนอกมาให้เสื่อมจิตก็จะได้สมาธิในภายในได้ความสงบในภายในจึงถึงข้อที่สาม ที่สัดสอนให้ประกอบเพื่อวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งหรือปัญญาที่เห็นแจ้งน้อมจิตที่สงบนั้นกำหนดพิจารณา แม้ตามข้อที่แสดงในสัญญาทั้งสิบอันนีจะสัญญากำหนดพิจารณาอาจจตระภายในภายนอกหรือขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยง อนัตตสัญญากำหนดพิจรารณาอาณจักรภายในภายนอกเร็นขันห้าว่าเป็นอนัตตามีแต่อัตตาตัวตนอนสุภสัญญากำหนดพิจรารณาร่างกายอันนี้อันประกอบด้วยผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นว่าไม่งดงาม เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดต่างๆอาธีนมะอาทีนวะสัญญากำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมากมมยมหาณสัญญา กำหนดพิจารณาจิตนี้คอยละอกุศลวิตกคือความรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันได้เกิดกาม ว, วิตกรึกนึกคิดในกามพยายามบากวิตกรึกนึกคิด ในทางพยาบาทปองรร้วิหินสาวิตกถึกเมื่อคิดในทางเบียดเบียนหากความตึกนิดคิดนี้ผุดขึ้นมาก็ละเสียไม่รับเอาไว้ทำให้สงบไปให้หายไปวีราคสัญญา กำหนดพิจารณาวิราคธรรมธรรมะที่สำรอกจิตจากกิเลสตั้งแต่ในเบื้องตน้นจนถึงเบื้องสูงคือสำรอก ราคะโทสะโมหะเหล่านี้เองไม่ให้ราคะโทสะโมหะมายอมจิตใจ